ตอนที่ห้าสิบห้ากลับดําเป็นขาวปริบัติคุณหนูไม่ดีแล้วยังไม่ยอมพูดความจริงอีกหรือเช่นนั้นก็ลากตัวไปโบยเสียเจนจูรีบคุกเข่าลงด้วยความลอนลานทะว่ายังคงไม่กล้าเอ่ยปากตอบได้แต่เหลือบมองเซี่ยชิงจื้อไม่หยุดท่านอองหวางเฟยโปรดประธานอภัยด้วยเพคะบ่าวบ่าวในที่สุดเซี่ยชิงจือก็ขวางหน้านางไว้แล้วเอ่ยว่าท่าน อ, องท่านป้าอย่าได้ลําบากใจเจนจูเลยเพคะเรื่อง น, นี้ไม่เกี่ยวกับนางหวางเฟย ร, รู้สึกปวดใจ เช่นนั้นเจ้าก็บอกพวกเรามาเสียทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดเจ้าถึงบาดเจ็บเช่นนี้หลังจากลังเลอยู่นานในที่สุดเซี่ยชิงจือก็เล่าเรื่องที่ไปแจกทานบันเทาทุกกับหลินเซินออกมาจนหมดเปลือกทั้งยังแอบเติมสีตีไข่ด้วยท่าทางน่าสงสารเห็นใจนี่ไม่ใช่ความคิดของพี่เซินจริงๆนะเพคะเป็นความต้องการของหม่อมฉันเองท่านป้าพี่เซินไม่ได้คิดจะช่วยพี่เยว่เลยนะเพคะเขาเขาช่วยหม่อมฉันไม่เกี่ยวกับพี่เยว่เลยสักนิด ยิ่งนางปฏิเสธมากเท่าไรสองสามีภรยาสิ้น อ, องก็ยิ่งไม่เชื่อมากเท่านั้นเสียชิงจือเริ่มหลั่งน้ำตาทั้งที่พี่เซินกำชับนะกำชับหนาว่าห้ามทำให้พี่เยว่าโกรธอีกเด็ดขาดแต่หม่อมฉันก็ยังคำพังจนได้เรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ยังทำไม่สำเร็จทั้งเยังเกือบจะทำให้คนตายชิงจือช่างร้ายประโยชน์จริงๆหม่อมฉันพยายามชดเชยอย่างเต็มที่แล้วทั้งรับปักจะจ่ายค่ารักษาและยังมอบเงินทั้งหมดให้พี่เยว่าด้วยจะโทษที่พี่เยว่าโกรธก็ไม่ได้แผลนี้ก็นางไม่ได้เป็นคนคท นางเพียงแต่ต่อว่าหม่อมฉันไม่กี่คำเสี้ยชิงจือเอ่ยไปพลางเช็ดน้ําตาไปพลางดูหน้าสงสารยิ่งนักเพียงไม่กี่ประโยคก็บิดเบือนความจริงจนดํำมือทําเอาเจินจูที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งตกใจและหวาดกลัวทันใดนั้นเสี้ยชิงจือก็แอบสงสายตาเฮี้ยมเกลี้ย ม, มาให้เจินจูถึงกับเหนื่อการไหลพรากนางเข้าใจความหมายของเสี้ยชิงจือดีหากไม่มีความร่วมมือนางต้องถูกขายออกไปนอก่วนแน่เจินจูไหนเลยจะกล้าขัดขืนได้แต่กัดฟันเอ่ยปากสมอ้างไปอย่างไม่เต็มใจ ใช่เจ้าคะ่ะคุณหนูตระกูลเยเวโกรดมากนางคว้างเงินที่คุณหนูมอบให้กลับมาจนจนทําให้หน้าผากของคุณหนูบาดเจ็บเจ้าคะ่ะเจนจูยิ่งพูดยิ่งก้มหน้าต่ําลงเรื่อยเรืยังมีพวกชาวบ้านผู้ประสบภัยเหล่านั้นต่างก็ทำตามคุณหนูตระกูลเยเวาพากันคว้างก้อนหินใส่คุณหนูเจ้าคะ่ะคุณหนูตระกูลเยเวมีผลงานในการแจกทานบรรเทาทุกมีบุญคุณต่อชาวบ้านต่อให้ซื้อจื่อจะอยู่ในที่นั่นด้วยพวกชาวบ้านก็ไม่เห็นอยู่ในสายตา เมื่อได้ทำให้การจากเจินจูที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์เรื่องที่เยาว่ารังแกเซี่ยชิงจือจึงกลายเป็นเรื่องจริงที่ดิ้นไม่หลุดในสายตาของสองสามีภรรยาสิ้นอ๋องหวังเฟยโกรธ จ, จัดอย่างไรชิงจือก็เป็นคนของจวนสิ้นอ๋องนางคิดจะลงมือก็ลงมือเลย อ, อย่างนั้นหรือซ้ำยังปลุกปั่นให้พวกชาวบ้านลงมือด้วยกันอีกเซี่ยชิงจือแอบส่งสายตาให้เจินจูอีกครั้งอาศัยจังหวะที่หวังเฟยกำลังเดือดดานเจินจูก็เม้มปากแล้วเ อ, อ่ยสุมไฟต่อไป ยังมีอีกเจ้าค่ะที่คุณหนูต้องไปช่วยแจกทาบนบรรเทาทุกก็เป็นเพราะเพราะคุณหนูตระกูลเยเวต้องการให้ซื่อจือช่วยงานซื่อจือกลัวกลัวว่าท่านอองจะทรงกริ้วจึงได้จึงได้ขอให้คุณหนูชิงจือออกหน้าเพื่อบังหน้าเจ้าค่ะเสี้ยชิงจื อ, อย่างแสซงทําเป็นดุเจนจูเจ้าพูดเหลวไหลอะไรกันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ความคิดของพี่เซินท่านอองอย่าทรงกริ้วเลยนะเพคะเป็นหม่อมฉันเองจริงๆหม่อมฉันอยากให้แผลบนหน้าหายเร็วๆเลยคิดจะเรียนแบบพี่เยว่สร้างกุศล ด้วยเหตุนี้สิ้นอองจึงเริ่มมีโทสะเช่นกันเจ้าลูกอกตัญญูนั่นถูกแม่นางหนูนั่นล่อลวงจนเสียคนแล้วเจ้ายังจะเข้าข้างเขาอีกหรือถึงขั้นยอมโกโหกแทนเขาเชียวหรือก่อนหน้านี้เขาก็เอาแต่ชื่นชมเรื่องการแจกทาบนบรรเทาทุกนั่นไม่ขาดปากถึงขั้นกล้าย้อนคำค่าที่เป็นพ่อเหตุใดเขาถึงได้เชื่อฟังคำพูดของแม่นางหนูนั่นนักนะอุตสาห์เสนอหน้าไปช่วยเขานอกจากจะไม่ได้ดีแล้วยังหาเรื่องใส่ตัวอีกแม่นางหนูนั่นเป็นปีศาจกับชาติมาเกิดหรืออย่างไร ถึงได้ล่อลวงเสรนเออจนเป็นไปได้ถึงเพียงนี้หวังเฟยยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหชิงจือมีน้ำใจช่วยนางแจกทางบปนเทาทุกถึงเพียงนี้ชาวบ้านคนนั้นกินเร็วเกินไปจนติดเขาเองและมันเกี่ยวอะไรกับชิงจือด้วยนางเห็นความหวังดีเป็นประสงค์ร้ายก็ช่างเถอะแต่นี่ถึงขั้นทำร้ายชิงจือทั้งยังปลุกปั่นชาวบ้านให้มารุมรังแกชิงจือเรื่องนี้จะยอมความได้อย่างไรนางจิ้งจอกน้อยตัวนี้จ้องแต่จะรังแกชิงจือของพวกเราไม่ได้การ แม่นางหนูคนนี้อาศัยว่าตนเองมีผลงานแจกทาบนบรรเทาทุกอยู่บ้างก็ปลุกปั่นชาวบ้านใช้เรื่องส่วนรวมแก้แค้นส่วนตัวทําร้ายชิงจืดจนบาดเจ็บปานนี้นี่เห็นชัดว่าจวนกัวกลมถือดีว่ามีผลงานท่านอองท่านต้องทูลรายงานเรื่องนี้ต่อฝ่าบาทให้ดีนะเพคะสิ้นอองพยักหน้านึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่นางหนูคนนี้จะเป็นคนเช่นนี้ต่อให้ฐานะสูงส่งแล้วอย่างไรในใจกลับเต็มไปด้วยแผนการชั่วร้ายวันหน้าจะมาเป็นซื่อจืดเฟยของจวน อ, องได้อย่างไร เ, เซนเอ๋อกลับมาค่าต้องสั่งสอนเขาให้ดีเสียหน่อยบาดเจ็ดถึงเพียงนี้ยังจะยืนอยู่อีกทําไมรีพานางกลับไปพักแล้วตามหมอมาทานยาเร็วเข้าท่ามกลางผู้คนที่ห้อมล้อมเสียชิงจือถูกส่งกลับห้องราวกับดวงดาวที่ถูกหมู่ดาวอบล้อมโดยไม่มีใครสังเกตเห็นรอยยิ้มมาร้ายที่มุมปากของนางเลยสักคนเพราะเรื่องแจกทานบรรเทาทุกทําให้หลิงเซินเสียคะแนนนิยมในสายตาของเยว่ไปแล้วและตอนนี้สองสามีภรรยาสิ้นอ๋องก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าเยว่าไม่ใช่คนดี นางไม่เชื่อหรอกว่าด้วยเรื่องเช่นนี้จวนกัวกงและจวนสิ้นอ๋องจะยังโดงกันได้สําเร็จในเมื่อจวนกัวกงและจวนสิ้นอ๋องต่างก็ถอนมั่นไม่ได้เช่นนั้นก็ให้นางเสี้ยชิงจือเป็นคนถอนเองลินเซินติดต่อเจ้าของร้านขนมหวานเรียบร้อยหลังจัดเจรจาตกลงกันเสร็จสิ้นท้องฟ้าก็มือสนิทแล้วเขาไม่ได้กลับจวนอ๋องแต่กลับมุ่งหน้าเข้าวังโดยตรงเพื่อขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทฝ่าบาททรงประหลาดใจยิ่งนักหายากนักที่เซินเอ๋อจะมาหาเจิ้นด้วยตัวเอง คราวก่อนมาเพื่อขอราชองค์การพระราชทานสมรสลองว่ามาสิครั้งนี้มาด้วยเหตุใดลินเซิลประสานมือกระหม่อมมาเข้าเฝ้าครั้งนี้เพื่อขอให้ฝ่าบาททรงช่วยเหลือพยะคะโอ้ฝ่าบาททรงเริ่มสนพระไทยเจนจะช่วยเจ้าเรื่องใดได้ไดบ้างกระหม่อมขอให้ฝ่าบาททรงออกราชองค์การประธานรางวัลแก่กระหม่อมพยคะฝ่าบาทแทบจะอ้าปากค้างไม่มีความดีความชอบย่อมไม่รับรางวัลจะมีความดีความชอบอันใด ถึงได้มาขอรางวัลจากเจิ้นตรงๆเช่นนี้มุมปากของหลินเซินยกขึ้นเล็กน้อยเพราะกระหม่อมได้คิดแผนการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยในระยะยาวแทนเยอ่อๆยอะพะยาคะฝ่าบาทพระเนตรเป็นประกายจริงหรือหลินเซินจริงพะยาคะดังนั้นในคืนนั้นราชโองการสรนเสริญจึงแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้มีเพียงหลินเซินคนเดียวแต่ยังมีรายชื่ออีกยาวเหยียดซึ่งล้วนแต่เป็นเจ้าของร้านขนมหวานที่ตกลงร่วมมือกับเขา แน่นอนว่าย่อมขาดเหล่าพ่อค้าผู้บางครั้งที่ร่วมมือกับเยเวาไปไม่ได้ฝ่าบาททรงประทานลายพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองว่าครอบครัวกุศลหนุนนำทรงรับสั่งให้ช่างฝีมือดีเร่งทำป้ายพระราชทานตลอดทั้งคืนและส่งไปให้ทีละแห่งจวนสิ้นององเองก็ได้รับเช่นกันลินเซินเดินเข้าประตูบ้านมาพร้อมกับป้ายพระราชทานเมื่อขันทีผู้ประกาศราชโองการอ่านจบก็ตะโกนขึ้นว่าจนสิ้นองครับรชาชโองการ ผู้คนที่คุกเข่าอยู่เต็มพื้นไม่มีใครขานรับหลินเซินเองก็แสง้เงียบผืมสิ้นอองจึงจำต้องลุกขึ้นรับราชโองการด้วยตนเองขอพระไทยฝ่าบาทที่ทรงเมตตาขันทีผู้ประกาศราชโองการยิ้มตาหยีซื่อจึอมีความสามารถถึงเพียงนี้ทําให้ฝ่าบาททรงพร ะ, กะเกษมรานยิ่งนักท่านอองมีบุตรชายเช่นนี้ช่างมีวาสนาจริงๆเรื่องการบรรเทาทุกข์ได้ซื่อจือคอยจัดการเหล่าผู้ประสบภัยช่างมีบุญและยังเป็นวาสนาของราษฎรใต้ร า, าด้วยเด็กๆ ยังไม่รีบนําป้ายครอบครบกุศลหนุนนํานี้ไปแขวนให้ท่านอองอีกหรือไอหยาแขวนไว้บนห้องโถงหลักนี้แหละกาลังดีพวกผู้ติดตามไม่พูดพร่ำทําเพลงรีบนําป้ายขึ้นไปแขวนทันทีสิ้นอองอยังไม่ทันได้อ้าปากคัดค้านป้ายก็ถูกแขวนไว้อย่างสง่างามแล้วคันทีเอ่อรชมหนินเซินทุกคําต่อให้สิ้นอองจะโกรธเพียงใดก็ไม่อาจระเบิดอารมณ์ออกมาได้ทําได้เพียงเอ๋อตอบรับตามมารยาทอย่างไม่เต็มใจ หลังจากส่งขันที่กลับไปแล้วสิ้นอ๋องก็เดินไปนั่งที่ตำแหน่งประธานอย่างเงียบเชียวปองราชโองการลงบนโต๊ะและกล้มหน้าลงคล้ายกำลังคุ้นคิดบางอย่างหวังเฟยและเซี่ยชิงจือให้คนรับใช้ออกไปทั้งสองยืนอยู่ด้านล่างโถงไม่กล้าเ อ, อ่ยปากสุมสี่สุมห้าหลิงเซินเองก็ไม่พูดอะไรรอให้สิ้นอ๋องเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาก่อน